ก็ความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมกำลังนำเสนออธาธิบายแห่งอากุศลกรรมบทสิบประการซึ่งพระตถาจารย์ได้อธิบายขยายความจากคำว่าอากุศลกรรมบทสิบในพระสูตร แต่ก็นำมาขยายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกรอบของธรรมะแล้วก็นำไปสู่ภาคของการประพฤติธปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเห็นกรอบว่าการปฏิบัติอย่างนี้ยังอยู่ในกรอบของอกุศลอยู่หรือไม่อย่างนี้ยังอยู่ในอกุศลหรือไม่ก็กลายเป็นมาตรวัด ความสมบูรณ์ของอากุศลหรือว่าการลดละจางคลายของอากุศลเหล่านั้นออกไปก็ได้พูดถึงพยาบาทพยาบาทนั้นคือกิเลสประเภทโทสะคือสายโทสะหรือสกุลโทสะอาจจะเป็นความโกรธความผูกโกรธความไม่ยินดี ความไม่พอใจความหงุดหงิดความรําคาญความอาฆาตความพยาบาทตัวน้และความเมื่อกีเ้เรศายนี้มันก็อยู่ที่ความเข้มขน้นเข้มข้นมากก็จะออกมาในทางพฤติกรรมเป็นการทําเป็นการพูดเข้มขน้นน้อยลงมาก็จะอยู่ระดับมโนกรรม อยู่เป็นเพียงความคิดแต่ว่าคิดไปตาบ ก, บกับการปรุงแต่งของโลภะกัทถุสัจเหล่านั้นวันลลัษณะของพยาบาทก็จำแนกเอาไว้กล่าวโดยสรุปก็คือว่าความคิดการทำการพูดอะไรก็ตาม ที่ยังประโยชน์เือกูลและความสุขของบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้พินาศไปประญาบาทนั้นมีการประทุษร้ายเพื่อเกิดความพินาศของบุคคลอื่นเป็นลักษณะที่เด่นในขณะเดียวกันมีโทษน้อยหรือมีโทษมากก็อยู่ที่การ ความรู้สึกแรงหรือไม่แรงแล้วคนที่เรารู้สึกพยาบาทมีคุณมากหรือมีคุณน้อยเช่นเราเป็นลูกไปลายคาตพยาบาทต่อพ่อแม่ต่บุปการีทั้งหลายปุญาตยายเป็นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นมโนกรรมหรือว่ามโนทุจริตที่แรงก็กลายเป็น ความพยาบาทปองร้ายท่านชี่ไม่ควรจะปองร้ายแต่ก็มีความคิดในลักษณะปองร้ายเพราะโดยลักษณะหรือหรือโดยประเภทก็คือมันมีสัตว์อื่นหรือจะเป็นคนหรือสัก์ก็ได้แต่ทำไมท่านยังใช้คำว่าสัตว์อื่น คือเป็นการพูดโดยปกติธรรมดาทั่วๆไปว่าความพยาบาทจะเกิดขึ้นภายในจิตของมนุษย์ได้เนี่ยก็เฉพาะตัวคนกัะตัวสัตว์คงไม่มีใครไปโกรธก้อนดิกก้อนหินคงไม่มีใครไปโกรธโกรธต้นไม้โกรธตอไม้โกรธน้ำอะไรต่างๆแต่เราก็จะเห็นว่าคนบางคนที่ไม่มีเหตุผลมากๆ ก่จะรู้สึกโกรธได้เช่นไปเดินไปสะดุดต่อไม้ขึ้นมาก็โกรธต่อไม้แล้วก็เตะซ้ําลงไปก็ทําให้เจ็บตัวมากยิ่งขึ้นไปโกรธก้อนดินก็กนหินก็ไปเตะก้อนหินเท้าก็เจ็บเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ได้ตรงกับข้อที่สองแต่ว่าตรงกับข้อที่หนึ่ง คือข้อที่หนึ่งอ่ะคล้ายๆกรอบมันไม่ถึงเพราะเขาไม่ใช่คนแล้วก็ไม่ใช่สัตว์แต่ว่าเมื่อความโกรธเขาเข้ามาเนี่ยเหตุผลสติปัญญาของมนุษย์ก็คล้ายๆจะหลุดลอยไปหรือหายไปหรือจางไปก็ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ดังนั้นการมุ่งความพิบัติเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นเราก็จริงมันเป็นเรื่องความคิดนะช่วงนี้เป็นเรื่องของความคิดแต่อย่าลืมว่าความคิดนั้นอาจจะอาศัยความทรงจำในอดีตเก็บเรื่องโบราณนานนกะเลแล้วก็มาพยาบาทก็ได้อย่าประเทศต่างๆเวลาเนี้ยที่ มีความโกรธแค้นมีการยื้อแย่งมีการทวงแผ่นดินต่างๆกันโดยไม่ยอมรับความจริงในมิติทางประวัติศาสตร์เพราะในความเป็นจริงมนุษย์โบราณก็เป็นสัตว์โลกที่เร่ร่อนไปในสถานที่ต่างๆแเราก็เห็นว่าคนแถวเอเชียก็ไปอยู่ด้านทางอเมริกา แม้พวกเอสกิโมพวกอินเดียนแดงพวกอะไร ต, ต่างๆเนี่ยเราก็เห็นว่าหน้าตาก็คนเอเชียแลวโดยหลักฐานทางปรติศาตร์ทางโบราณคดีก็บอกว่าเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของผิวโลกนั่นอย่างหนึ่งเป็นการอพยพเคลื่อนย้ายอย่างหนึ่งก็ทำให้คนกระจัดกระจายกันในส่วนต่างๆของโลก แต่พอเราไม่มีเหตุผลเนี่ยเราก็อ้างได้ว่านั้นเป็นประเทศของเรานั้นเป็นประเทศของคนอื่นหรือว่าสมัยโบราณก็เป็นของเราคือถ้าจะไปะยึดถือกันจากนั้นในที่สุดมันก็มีมีใครเป็นเจ้าของใครหรอกเพราะว่าแต่ละคนก็เป็นผู้อาศัยโลกท้งนั้นคนไทยก็อาศัยอยู่ในส่วนต่างๆของโลก เรายังไม่มีการสํารวจกันจริงๆจังๆว่าเผ่าไทยเนี่ยกระ จ, ระจายอยู่ในส่วนใดบ้างแล้วการเรียกเป็นเผ่าไทยก็เรียกไม่นานเมื่อก่อนก็เรียกสยามเมื่อก่อนก็เรียกสามเรียกอะไรต่ออรางๆ ก, ก็เรียกเยอะก็แสดงให้เห็นว่าพวกพยาบาทเนี่ยมันมีรากเง้ามาจากโมหะ คือคาเทศผลก็ทำให้พยาบาทประรบอดีตว่าคนคนนี้เคยทำอันตรายแก่เราคนคนนี้เคยทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนคนนี้เคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อศัตรูของเราก็พยาบาทเขาได้ก็ไม่ได้ถือว่าดีชั่วเป็นประมาณนะครับ ถ้าไปทำดีกับคนอื่นที่เราไม่ชอบเราก็พยายามบได้แต่ว่าเวลาไปทำไม่ดีกับคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราไม่โกรธนะคือไม่พยายามก็ตลกนะคือที่จริงอาการของกิเลสเป็นอาการตลกตลกแต่เราก็ยอมจานวนเขา อ, อยู่เรื่อยบางทีก็ประรบอนาคตเป็นการคาดหมายออก ว่าต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อศัตรูเราแล้วก็พยาบาทล่วงหน้าไว้ในแง่ของความเป็นจริงว่าชีวิตเราจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าคนที่เราพยาบาทจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าเราเราเราไม่รู้อะไรเลยแต่ก็เสียเวลาพยาบาทล่วงหน้าเสียสุขภาพจิตไปเยอะ บางทีก็ประรบเหตุการณ์การกระทําการพูดของบุคคลนั้นในปัจจุบันว่าคนนี้กําลังทําอันตรายต่อเรากําลังทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเรากําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อศัตรูเราก็พยายามบัดตอกิเลพยายามบให้ลองสังเกตว่าจะมองไปที่คนมากกว่าสัตว์ แต่คนที่พยาบาัตว์ก็เยอะไอ้ศาตร์พยายามบาศคนไอ้ช่างเขาเถอะคือเขารายเดียงสาแต่คนพยายามบาศต่อสัตว์นี่ก็น่าเอินดูดีนี่คือเรื่องของกิเลสมันก็เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ธรรมดาธรรมดานี่แหละเพียงแต่ว่าทรงแสดงจัดเป็นหมวดหมู่เอาไว้ แล้วเห็นเป็นกระบวนการทีพร่พร้อมจะเพิ่มขึ้นพร้อมจะลดลงหรือพร้อมจะคงอยู่ในขณะเดียวกันเพราะมันไม่ใช่จิตพวกนี้เป็นเจตสิกธรรมไม่ใช่จิตยึงสามารถทำให้มันไม่มีอิทธิพลพอต่อการจะประยึดกุมจิตใจโดย ทำจิตไว้ในด้านนั้นดานส่งกันข้ามที่ในที่นี้ก็ส่งเรียกว่ามโนสุจริตเรียกว่าเรียกเต็มที่สิบสิบข้อในเรียกว่ากุศลกรรบทสิบแต่หมายความว่าฝึกจิตอยู่ทรงกันข้ามนะฮะด้านหนึ่งเรียกว่าอภิชาวิสมาโลภะอภิชา ก็การเพ่งเล็งโลภอยากได้ก็กลายเป็นไม่เพ่งเล็งโลภหักได้พยาบาทก็เป็นอพยาบาทคือไม่เบียดอะไม่พยาบาทใครแล้วก็มิชาทิฏฐิก็กลายเป็นสมารทิฏฐิพวกนี้จะสร้างขึ้นได้เขาก็จะมีพลังในการขาจัดทำลายบันเทาลดละเลิกบวก กิเลสที่มีชื่อต่างๆเหลเราเนี่ยไปทีนี้คำว่ามิจฉาทิจฉเนี่ยก็คือความเห็นผิด แ, แปรตามตัวก็แปลว่าความเห็นผิดเพราะไม่ถือเอาตามความเป็นจริงเช่นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยเราไม่ยอมรับความจริงสูงนี้แล้วยาม ขัดขืนแข็งขืนด้วยวิธีการาต่างๆถึงค่าวแก่ไม่ยอมแก่ถึงข่าวเจ็บไม่ยอมเจ็บถึงข่าวตายก็ไม่ยอมตายก็พยายามต่อสู้ต้านทานกันด้วยวิธีการาต่างๆอย่างโรคภัยไข้เจ็บสมัยปัจจุบันเนี่ยคนเป็นนั้นมากที่ถ้าอยู่ในยุคสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญ ก่อนจะสิ้นชีวิตไปแล้วแต่พอการแพทย์จเจริญขึ้นมันก็มีวิธีรักษาไว้แต่ท่านก็นอนอย่างั้นดูแลก็มีความทุกข์มากกว่าความสุขแต่ก็เป็นความรู้สึกต้องการจะตอบสนองความปรารถนาของคนที่มีชีวิตยอยู่โดยอาศัยคนตายเนี่ยเป็น ตัวสร้างความหวังแล้วก็ลึกๆก็คิดว่าตัวเองก็ปรารถนาที่จะอยู่มีอายุยืนยืนยืนอายุยืนท่ามกลางความแก่นี่ก็นึกไม่ออกเนี่ยว่าอยู่ไปทำอะไรนะอย่างการถวายพระพรห้องเต้ของจีนเนี่ย ก็ให้มีพระชนเจริญหมื่นมื น, มนปีหมื่นมืนม่นปีซ้ำสองครั้งนก็ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่คนก็ชอบให้ศีลให้อรกันในลักษณะอย่างนั้นซึ่งถ้าหากว่าสามารถชะลอความแก่ไว้ได้ด้วยอายุเพิ่มขึ้นแต่ว่าความแก่ไม่ได้เพิ่มเร็วตามอายุก็ยังพอฟังได้นะ แต่อายุมันก็เพิ่มขึ้นความแก่มก็เพิ่มขึ้นตามอายุไปก็ไม่สนุกหรอกถึงมีใครให้พอรอย่างนั้นก็ไม่น่ารับแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคือเราจะรับหรือไม่รับมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วลักษณะของวิชาดิจิตก็คือความเห็นผิด ยันที่เคยแสดงมิจฉาทิฏฐิสิบประการที่เผยแพร่กันอยู่ในยุคก่อนพุทธกาลและก็ในสมัยพุทธกาลมันเป็นความเห็นแนววัตถุนิยมที่จัดใิเศษการกระทำความดีความชั่วทั้งหลายคือไปเทศษทั้งดีทั้งชั่วนะแล้วก็ไปเศษความมีอยู่ของสังสารวัฏใบเศษ การหมุนวนไปตามกระแสของกรรมในสังสารวัติพระเสรการมีอยู่ของพระพุทธเจ้าคือท่านที่รู้ศัตรูดีสัตรูชอบโดยพระงเองและสอนผู้คนอื่นให้รู้ตามเนี่ยก็ถูกพวกเอนานี้ไปเสียเบืองตัวหลักเนี่ยมันก็มีอยู่สิบข้อ ไปเศษว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลการทําดีทําชั่วไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสัตว์ที่ตายแล้วเกิดอีกไม่มีก็ในพระบาลีใช้คําว่านัตติสตาอุปปาติกะแปลว่าสัตว์ที่ผุดเกิดเนี่ยไม่มี แต่คำคำ น, นี่ยพระอาาจารย์ท่านแก้เป็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคือว่ากาเนิดมันมีสี่ไอที่ต้องหมุนบนอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยทั้งสี่ประเภทนั่นแหละทั้งเกิดในคันทั้งเกิดในไข่ทั้งเกิดในของสปกปรกทั้งเกิดโดยอุปปาติกอุปปาติกะแล้วก็ ไปเสกความมีอยู่ของท่านที่ศัตรูดีศัตรูชอบด้วยพระองค์เองแล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามก็หมายความว่าทําลายทั้งศรัทธาและก็ปัญญาที่เป็นหลักอย่างศรัทธาสีประการเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อความทั้งสีปงสส่ประการนี้ก็ไปหักล้างหมดเลยศรัทธาสี่ประการก็คือกรรมศรัทธาเชื่อความมีอยู่ของกรรม มีปาคศตาเชื่อความมีอยู่ของผลแห่งกรรมและกรรมสักตาศตาเชื่อความเป็นเจ้าของผลแห่งกรรมใครทํากรรมอะไรไว้ก็จะได้ผลของกรรมนั้นผู้รวมทั้งดีทั้งไม่ดีนะทั้งกุศลและอกุศลแล้วก็ตถาคตะโพชิตาเชื่อความ ศัตรูดีศัตรูชอบด้วยปรองเองของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าเราเห็นอย่างนั้นเราก็ไปเสด็จตรงนี้หมดแหละตรงนี้คือหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบแล้วก็ส่งแสดงหลังจากสรุปไม่ใช่หลังจากศัตรูน้อยๆ น, นะฮะคือหมายความว่า ในช่วงที่เสวยวิมุตติสุขอยู่นั่นแหละตอนที่ประทับที่ต้นโพะพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาปฏิจจสมบาททั้งสายเกิดและก็สายดับในยามทั้งสามแห่งราตรีพร้อมด้วยการมรรุญาณแต่ละข้อแต่ละข้อหมดสามข้อในขณะเดียวกันก็ ในยานเหล่านั้นแหละมันได้บ่งบอกถึงความมีอยู่ของสังสารวัตรความมีอยู่ของชาติก่อนๆธรรมะพระองค์องเองแล้วก็สัตว์โลกทั้งหลายและความเปลี่ยนแปลงในเส้นทางของชีวิตที่เกิดขึ้นแก่พระองค์องเองและสัตว์ทั้งหลายมันไม่มีบทลงตัวคือมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เกิดดีบ้างเกิดไม่ดีบ้างสุขมากทุกมากสุขน้อยทุกน้อยะอะไรต่างก็ด้วยพยานทั้งหมดเลยแต่แน่นอนคนสมัยนั้นก็ยังถูกจีงกันอยู่แต่เราลองสังเกตว่าเรื่องรามเกียรติเนี่ยเป็นเรื่องก่อนคือตอนที่พวกอารยันอพยพเข้ามาอยู่ในชมพูทวีปแล้วแล้วก็ขับไล่พวกมีลขะอยู่ด้วย มีราคาก็คือพวกนี้พวกทศกันเนี่ยก็ในขณะเดียวกันก็คนพื้นเมืองทั้งหลายเนี่ยเข้ามาเป็นบริวารก็คือพวกเสนาวั น, น, นทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าในตอนหลังก็ปรุกเสกเป็นเทวดาจุติหมดเล ย, ยแสดงว่าเป็นยุคสมัยที่ นิยมนับถือเทพเจ้าสูงสุดแล้วก็เลยยุคเกษียณไอ้กวนเกษียณส ม, มุดมาแล้วเพราะงั้นเทวดาจึงไม่ตายเทวดาก็เรียกว่าอมรคือไม่ตายนะเพราะดื่มน้ำอมฤตมาอันนี้ก็เราก็พบว่ามันเป็นการนำประวัติศาสตร์โบราณ ของสมพูตวีปเนี่ยมาเรียบเรียงเป็นวรรณคดีขนาดขนาดใหญ่อ่นนะอานกันนานจึงจบแต่แท้จริงแล้วก็ก็คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แต่น่นอนแหละพอเขียนคนรุ่นหลังมันเขียนก็เล่าเสริมเติมกันมาตลอดก็มีข้อความที่ ขยายไปด้วยจิตที่เคารพทื่อถูศักกะบูชาอยู่สมัยนั้นพระนารายก็ใหญ่แล้วนะพระอิศวนยังใหญ่อยู่พระอิศวรยังใหญ่อยู่ยัางเป็นปากับจอมเทพพระพรมมัก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แล้วสมัยนั้นทีนี้มาพาลตายุทธมันก็มีรัธนะอย่างนี้น มันเป็นการทะเลาะกันของพวกอารยันกับอารยันแล้วก็เป็นราชุงกลายชิดรัชวงศ์พี่กับรัชวงศ์น้องก็ทำนองกันสักยะ ก, กับโกริยะนั่นแหละบางยุคบางสมัยก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบางยุคบางสมัยก็รบราคาขวันกันว่าทำไมเราเห็นว่า เป็นความคิดประเภทที่ให้ความสำคัญแก่เทพเจ้าในสูงคือทำบาปไม่ได้บาปในมหาภ า, หาระยุทธ์เองก็ฆ่ากันตายสิบแปดวันที่ทุ่งกุรุเกษตรเนี่ยตายเกลื่อนสนามรบเลยไม่มีใครตกนรกเลยสักคนนะกลับไปสู่สวรรค์หมดเลย ในเรื่องรามเกียรติมันก็มีลักษณะอย่างนีน้โดยเฉพาะในสายของพระรามเนี่ยเขากลับคืนสู่สวรรค์หมดเพราะาเป็นเทพยุติแล้วก็เห็นร่องรอยของการไม่ตายคืออมรเนี่ยเสยนาวานอนทั้งหลายนี้ค่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะอยู่ตอนยิงลงไปมันก็ตายะพอถูกล ม, มก็ฟืน้นก็หายก็รบรกต่อไปเรื่อย อันนี้ก็คือเป็นอาการของทิฏฐิอย่างที่ว่า <c oughs> มันอยู่หมดทั้งในมหาภารตะยุทธ์แล้วก็อยู่หมดทั้งในรามายณะหรือรามเกียรติ์เราเชื่อมโยงนะศึกษาแบบเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของอารยันยุคโบราณแล้วเราก็จะเห็นว่า ความเห็นต่างๆเป็นอันมากที่ยังเหลืออยู่เวลาเนี้ยมันก็มีปรากฏในเอกสารรุ่นนั้นหรือว่าอาจจะก่อนหน้านั้นนะก่อหน้านั้นแต่ว่าในยุคจี้ก็รันาทั้งสองมากราบเนี่ยคนก็ยังนับถือเทพเจ้าสูงสุดอยู่แล้วก็เป็นผู้ไม่ตายก็ผ่านยุค ก, กวนเกษียณสมุดมาแล้วก็ไม่ตายกันแล้ว วพราะมิถาทิฐิในลักษณะนี้จึงปฏิเสธก็คล้ายๆกับชีวิตนิรันดร์แล้วก็ปฏิเสธเรื่องกรรมสังสารวัตรเพราะกรรมสังสารวัตนั้นอย่างไม่เคยชัดเจนในคำพีประเวทเองก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มันก็มีตายตายแล้วเกิดตายแล้วไม่เกิด ตาจากอะไรไปเกิดเป็นอย่างนั้นหรือว่ามีการจุติแปรผันอะไรแต่ไรมันอย่าหาข้อยุติไม่ได้พุถเจ้าจึงรับสั่งว่าทั้งสิบประการเนี่ยมีอยู่แท้แต่ว่าคนมีความเห็นว่าไม่มีก็แสดงว่าความเห็นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปคิดว่าไม่มีแ่ความคิดก็เป็นมิจฉาสังกปะไปพูดว่าไม่มีคาพูดก็เป็นมิจฉาวาจา แล้วก็ไปแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นให้เชื่อว่าไม่มีเป็นกล่าวคำที่เป็นปฏิปักษ์คือขัดแย้งกับวาทะของพระหานทั้งหลายในโลกที่ท่านรู้ความจริงจะต้องประสบบาปรกรรมต่างๆเป็นนั้นมากจะถามมาเดือวนี้ความความเห็นเหล่านี้ยังมีอยู่ไหมยังมีเยอะนะฮะยังมีเยอะนะ ลองใครลองตั้งแบบสอบถามทำาเป็นโพลถามคนในวัยต่างๆถามเข้าในวัดด้วยก็แหละเชื่อความมีอยู่ของกรรมไหมเชื่อความมีอยู่ของสังสารวัตไหมเชื่อความมีอยู่ของคนเราตายแล้วเกิดอีกไหมใดแต่ใต่างๆนี้ตั้งกาไปในแนวตรงนี้จะเห็นตัวเลขที่น่ากลัว คือคนไม่เชื่อเรื่องเนี้ยเยอะและการไม่เชื่อเรื่องนี้ก็มีอิทธิพลที่ทําให้คนทําบาปแบบไม่ไม่กระพริบตาเลยก็ไม่น่าเชื่อออกว่าทําไมถึงทํากันแรงขนาดนั้นก็แสดงว่าคนเหล่านี้ไม่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏแต่ประเด็นเรื่องกรรมสังสารวัฏที่จริงมันไม่อยู่ที่เชื่อหรือไม่เชื่อคือไม่อยู่ที่มีหรือไม่มี ถ้ามีเขาก็มีอย่างที่เขามีคนไม่เชื่อหมดทั้งโลกเขาก็มีอย่างที่เขาเคยมีคนเชื่อหมดทั้งโลกถ้าเขาไม่มีก็คือไม่มีให้ลองสังเกตว่าความเชื่อของมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงให้เป็นความไม่จริงหรือว่าเปลี่ยนแปลงความไม่จริงให้เป็นความจริงได้ เป็นว่ายแต่เป็นอุปท า, านหมู่ที่ช่วยกันสร้างขึ้นปุกเสกืกขึ้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งต้นความเห็นผิดเหล่านี้ก็ท่านก็ยกตัวอย่างมานะยกตัวอย่างการให้ทานไม่มีผลเป็นเป็นต้ น, นมีโทษน้อยหรือมีโทษมากเหมือนกับสัมผัประลาปะ คือมันอยู่กับปริมาณของความเห็นเพราะว่าความเห็นที่มันมันถือว่าแรงมากเนี่ยเราเรียกว่านิยตมิชาทิชก็แนวนี้แหละแต่แนวนี้ขยายแล้วแนวเดิมนี่จริงเนี่ยเขาไม่อยู่แค่สามขับอกิริยยะทิฏฐิถือว่ากรรมไม่เป็นการกระทําจะทําดีหรือทําชั่วนี่ไม่ถือว่าเป็นการกระทํา ก็หมายความไปเศธทั้งเหตุแล้วก็ทั้งผลทีนี้มันก็ขัดแย้งกับความจริงว่าผลทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกนี่มันมาจากเหตุเท่านั้นแต่เขาก็ไปบอกว่าหาเหตุไม่ได้คนได้สุขได้ทุกได้รับความเสื่อมความเจริญความสาเร็จความล้มเหลวอะไ ร, ะะไรต่างๆมันมาจากเหตุท่นั้น พอท่านไปไปเสดว่าไม่ได้มีเหตุครับมันเป็นเรื่องบังเอิญบ้างเป็นเรื่องการดลบรรดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างเป็นเรื่องที่ผ่านการเวลามาถึงจุดหนึ่งมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวมันเองแบกคือเขาพูดเรื่องกรรมที่เกี่ยวกับเจตนาเนี่ยแต่เวลาท่านยกตัวอย่างเนี่ยท่านยกสิ่งไม่มีชีวิตท้งนั้นเลยก็เลยก็พูดกันไม่รู้เรื่อง เพราะว่าตั้งโจทย์ผิดด้วยกันไม่ใช่ตั้งโจทย์ผิดด้วยกันนะะฝ่ายสมาีิดีก็ตั้งโจทย์ถูกที่ก็ตอบอย่างนั้นเพราะว่าโจทย์มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผลทั้งหลายจึงเกิดมาจากเหตุแล้วก็ผลนั้นเองก็กลายเป็นเหตุต่อไปตัวตัวเหตุเองก็เมื่อก่อนก็เป็นผลก่อนนะฮนะเป็นผลก่อน ก็เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุก็ทยอยกันไปเป็นคลื่นไปดังนั้นการมีโทษมากๆมันก็อันนี้ถือว่าการกระทําไม่เป็นการกระทําสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เพราะเหตุคือไม่มีเหตุให้มันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนของมันเอง ที่ตลกของท่านในเรื่องบังเอิญ น, นะฮะคือบังเอิญเนนะี่ยท่านพูดบ่อยแล้วก็นักติศทิฐิคือสิบประการเนี่ยที่ว่าไปเสรแล้วอันนี้คือแรงเพราะลองสังเกตว่าถ้าคนเราคิดอย่างนี้แล้วเขาจะไม่สำนึกถึงบาปบุญคุณโทษอะไรเพราะว่าในที่สุดชีวิตมันก็จบลงที่ตายแล้วนะก็มีกองที่เท่าเป็นที่สุด ก็จบลงตรงนั้นไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีนรกสวรรค์ร อ, อะไรแต่ละอย่างความคิดแนวอย่างเนี้น่ากลัวแม้แม้ในแง่สังคมเนี่ยก็น่ากลัวแล้วเพราะตาตีต่างว่าในคนในสังคมมีไม่กลัวเรื่องบาปกรรมแล้วก็จะทําชั่วกันเพลิน พวกที่เกาะกลุ่มกันมีกำลังมากก็จะปล้นจะจี้จะฆ่าจะทำอะไรก็ทำได้โลกมันก็ไม่น่าอยู่อะแต่ว่าเพราะมีคนมีอมอกภาพการทางสังคมนี่มันหลายๆหลายๆชั้นมันซ้อนกันอยู่คือบางคนไม่ถึงก็กลัวกรรมหรอกบาปกรรมหรอกแต่กว่ากลัวกฎหมาย หรือว่าเป็นขนม ร, รมเนียมประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นจารีตเป็นแบบแผนอะไรต่างๆเป็นเหตุได้เห็นว่าไอ้นี้ควรเว้นอ้นี้ควรประพฤติโดยไม่ได้ไปพูดถึงบาปถึงบุญอะไรก็ก็มีเหมือนกันก็ทาให้ความมีบางอย่างก็ไม่ค่อยแรงทีนี้ตกลงว่ามิจฉาทิฏฐิมีองค์ประกอบอยู่สองประการ คือการที่เรื่องผิดไปจากสิ่งที่เป็นความถูกต้องนะครหรือใครจะเคยยึดถือมาหรือไม่ยึดถือมานี่ไม่สำคัญแต่ว่ามันคลาดเคลื่อนจากจากกฎตรงนั้นก็อย่างเนี้ยอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงวิปัสสนคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนความจำที่คลาดเคลื่อนความคิดที่คลาดเคลื่อนเนี่ย เป็นความเข้มขน้นะเรียกตามความเข้มข้นของความจําของความคิดของความเห็นในเรื่องเดียวกันนั่นแหละเรื่องจํานั้นก็ไม่ค่อยมีพลังมากนักเรื่องคิดก็มีพลังสูงขึ้นว่าเรื่องเห็นแล้วทําลายยากเลย นั่นคืออะไรก็คือการไปเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยงามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนทางทั้ที่ความจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าโลกจริงๆคือชาวโลกจริงๆมันจะมองตรงกันข้าม แล้วพยายามจะกลบเกลเือนกรบเกลือนสิ่งที่ไม่สวยไม่งามให้เห็นว่าเป็นของสวยงามอย่างการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องประดับตกแตง่งกระชินผิวอะไรต่างๆมีจํานวนมากที่เขาโฆษณาขายกันก็ในที่จริงก็พยายามจะกลบเกลือนความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายหรือว่า วิธีการต่างๆในการบริหารร่างกายบ้างในการทำสัญญกรรมอะไรต่างๆซึ่งต่อไปนี้คงจะมีความก้าวหน้าไปขนาดเปลี่ยนออกวันส่วนๆได้นะฮะแต่คงจะอยู่ไม่ทันเรา อ, อันนี้ก็คือพยายามที่จะหลบความจริงไม่ยอมเผชิญหน้ากับความจริง แล้วก็สร้างอุปท า, านขึ้นมาก็ยึดมั่นถือมั่นกันทีนี้เป็นการปรากฏขึ้นแห่งเรื่องนั้นโดยไม่เป็นความจริงโดยไม่เป็นอย่างที่นะมันโดยไม่เป็นอย่างที่คนที่มีความเห็นผิดเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิกะบุคคลบุคคลที่มีความเห็นผิดแต่ยึดถืออยู่ ในขณะเดียวกันก็ในกุศลในนักุศลก็บวชสิบประการท่านก็มาจําแนกโดยอาการเนี่ยเป็นห้าอย่างคือในสิบข้อเนี่ยจําแนกโดยอาการเป็นห้าอย่า ง, ค, าาางคือโดยธรรมะเป็นธรรมะมันเป็นกฎเป็นกฎที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาก็เมันแล้วก็เป็นส่วน ส่วนนั้นเป็นส่วนโลภส่วนนั้นเป็นส่วนโกรธส่วนนั้นเป็นส่วนลงก็เป็นส่วนๆแล้วก็โดยอารมณ์หมายความม า, าธาทีต่ออารมณ์ที่เราสัมผัสเรามีความรู้สึกต่อรูปต่อเสียงต่อกลิ่นต่อรสต่อผด ต, ต่อภาต่อธรรมารมย่างไรในขณะนั้นอาจจะเป็นตัวกระตุ้นราคาก็ได้กระตุ้นโลภะก็ได้กระตุ้นโทสะก็ได้กระตุนาาะต้นโมหะก็ได้ หรือว่ากระตุ้นธรรมะ ก, ก็ได้นะอย่างยกตัวอย่างร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราเมื่อมองจากสายของพระพุทธศาสนาพระเจ้าทรงใช้เป็นครูตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงปลายเล็บเท้าเลยทุกจุดได้เป็นครูสอนเรียนรู้ความจริงของชีวิตเป็นอารมณ์กรรมฐาน ซึ่งจะมีข้อความที่ค่อนข้างพิสดารอยู่ในมหาสติปัฏฐานสติปัฏฐานสูตรนะคือมัททิมนิกายนเขาเรียกสติปัฏฐานสูตรเพราะยังขยายไม่เต็มยศแต่ในทีคนิกายนเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรคือคือเนื้อหาเดียวกันแต่ว่าทรงแสดงขยายอธิบาย ซอยออกไปทียิบเลยแม้แต่คำว่าชาติคำเดียวเนี่ยก็ขยายกรอบของชาติออกไปชราคําเดียวก็ขยายออกไปโดยพิสดารทีนี้โดยเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หม้ความมาถ้าโดยรู้สึกเป็นสุขมันก็กิเลสประเภทโลภะมันก็เพิ่มขึ้น ปราถนาจะได้จะมีจะเป็นในสิ่งต่างๆถ้าเรารู้สึกเป็นสุขไม่ใช่ถ้าถ้า ถ, ถ้าเรารู้สึกเป็นสุขเราก็ปราถนาที่จะครอบครองแต่รู้สึกเป็นทุกข์มันก็เกิดเป็นรูปของโทสะคือสายพยาบาทก็อยู่ในสายพยาบาทแล้วก็โดยมูลโดยรากแง่มาความมาเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากโลกบโลกุโหลวงนั่นแหละ จะนับเท่าไรก็ตามนับไปถึงพันห้าร้อยก็ตามก็กิเลสก็มาทางนั้นน่มาทางโลกรดหลงทีนี้ประเด็นตรงนี้ท่านท่านอธิบายไว้ไว้เจ็ดข้อแรกเจ็ดข้อแรกก็คืออะไรล่ะแล้วเมื่อสิทธิในชีวิตแล้วเมื่อสิทธิในทรัพย์สินแล้วเมื่อสิทธิในคู่ครองแล้วก็พูดเท็จ ผู้สอเสียดผู้คำหยาผู้เหลวหลายก็เจ็ดอย่างแล้วก็รวมกับมิจฉาทิฏฐิก็แปดอย่างพวกนี้เป็นกรรมบทอย่างเดียวเป็นกรรมบทอย่างเดียวไม่เป็นมูลคือไม่เป็นรากงาวไม่เป็นรากงาวของอคุศลทีนี้ พวกนี้เราจะลืมหมายเลขข้อข้างบนรวมกับมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมิจฉาทิฏฐิที่จริงมันก็เป็นโมหะนะเป็นพูกโมหะแต่ว่าในที่นี้ท่านก็ว่าไม่ใช่เป็นอกุศลมูล์เขาว่ากันแล้วก็ส่วนอะ อภิชาคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้อันนี้ก็คือโลภกิเลสประเภทโลภะแน่นอนพยาบาทกิเลสประเภทโทสะซึ่งมันก็เป็นอกุศลมลมดูแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทำไมจึงเป็นโลภะโทสะก็เพราะเรา ม, มีโมหะคือเราไม่รู้ความจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นถ้าเราอยากได้อะไรก็ตามแลลวแล้วก็สิ่งนั้นมันเที่ยงแท้ยั่งยืนเนี่ย แล้วก็มีไว้ทําไ ม, มากมากมันก็เป็นภาระเดือดร้อนว่าเราทีนี้ก็แสดงว่าตรงนั้นน่ยเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงแท้ย่างยืนเลยก็ต้องสะสมไว้มากๆในขณะเดียว ก, กันก็เราก็คิดว่าชีวิตเราจะอยู่ใช้สอยสิ่งเหล่านั้นได้นานๆไอ้โลกเที่ยงมันก็ยังอยู่นะก็ถ้าบอกว่าเป็นทั้งกรรมบุ แล้วก็เป็นทั้งรากง่าวของอกุศลเพราะเป็นรากง่าวอภิชาจึงเป็นเรียกว่าโลภอกุศลโลภะอกุศลละมูลแล้วก็พยาบาทก็เป็นโทสะอกุศลละมูลทีนี้โดยอารมณ์อารมณ์ก็คือสิ่งที่มากระทบนะฮะ สรุปรวมแล้วก็คือพวกอิจตนาภายนอกปาณาธิบาตมีสังขารเป็นอารมณ์เพราะว่ามีชีวิตดินซีเป็นอารมณ์คือความเป็นใหญ่ชีวิตดิณซีเช่นอะไรละ่ะอิทธินซีบริสินซีชีวิตตินทรียสุขินรีทุกขินรีก็อินรียก็คือองค์ประกอบร่วมทั้งหลาย องค์ประกอบร่วมทั้งหลายที่พูดในเชิงที่มันเป็นรู ป, ปรวัตถุก็ส่วนย่อยในร่างกายในความเป็นหญิงความเป็นชายความมีชีวิตก็ถือว่าอธินาทานมีสัตว์เป็นอารมณ์บ้างมีสังขารเป็นอารมณ์บางเพราะเจตนาในการรักเนี่ย ในการเื่อเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้มันก็ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตประทัทมันก็มีชีวิตกับไม่มีชีวิตเท่านั้นเองแล้วก็มิจฉาจารมีสังขารเป็นอารมคือการประพฤติผิดในทางเพศนะมีสังขารเป็นอารมคือสังขารที่มีใจครองเป็นอารมแต่ก็ไม่แน่แล้ว เพราะั้นท่านจริงใช้คำว่าสังขารเฉยๆไม่ไปเติมคำว่ามีใจครองหรือไม่มีใจครองเพราะว่าในจิตใจของสัตว์โลกเนี่ยมันอธิบายยากนยทีนี้มันก็ด้วยอำนาจของโผดผาคื่กาง ร, ระทุกการสัมผัสอนะสัมผัส ด, ด้วยกายแล้วก็ ทีนี้อาจารย์ผู้หนึ่งบอกว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์ก็มีมุสาวาตเนี่ยมุสาวาตก็คือโพธิเทจมีสัตว์เป็นอารมณ์บ้างมีสังขารเป็นอารมณ์บ้างปิสุนาวาจาคือพูดสอเสียดมีสัตว์เป็นอารมณ์อย่างเดียวเพราะว่าสอนเสียดมันก็ยุโยงให้คืออย่าลืมมาเขาฟังรู้เรื่องก็ควรรู้เรื่องก็แสดงว่าต้องเป็นสิ่งมีชีวิต ก็อิสุนาวาจะไม่ใช่สัมผัสประหลาปะมีสัตว์เป็นอารมณ์บ้างมีสังขารเป็นอารมณ์บ้า ง, ง, าาางด้วยอำนาจแห่งรูปที่เห็นแล้วเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้สูดดมรสที่ได้ลิ้มแล้วก็ผัวตภะที่ได้ทราบแต่หยับต้องเลยถูกต้องแล้วก็ทำมารมณ์ที่ได้รู้แล้วอภิชาเาก็เหมือนกันคือมีสัตว์แล้วก็สังขารเป็นอารมณ์